จเจริญพรถูกท่านแล้วหลวงพ่อเป็นนัดปลูกต้นไม้นะต้นไม้เวลาเราปลูกทีแรกรปลูกจำนวนเยอะพอผ่านเวลาไปเ้วค่อยๆคัดค่อยๆเลือกขึ้นมาเหลือต้นไม้ที่สวยงามแข็งแรงมีคุณภาพพวกเรามาฟังธรรมหลวงพ่อมาเทศค ร, ครั้งที่สี่มั้ง มันเป็นการคัดสรร น, นะคนที่ผ่านการทนฟังหลวงพ่อมาถึงสามครั้งแล้วมาฟังครั้งที่4อีกเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกเวลาหลวงพ่อเทศน์เนี่ยฟังยากมากไม่เทศเอาใจตลาดเลยนี่คนที่ทนได้ค่อยๆเรียนค่อยๆฟังเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองธรรมะของพระเจ้าแท้ๆเนี่ย ไม่ใช่ธรรมะสำหรับคนทั่วๆไปหรอกมันเป็นธรรมะของคนส่วนน้อยเป็นมาตั้งแต่กลางพุทธกาลแล้วตอนพระสารีบุตร ย, ยังไม่ได้มาพบพระพุทธเจ้าชื่ออุปติสสะได้ฟังธรรมจากพระอาสชิได้โสดาก็จะมาบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าไปลาอาจารย์สัญชัยมีอาจารย์เดิมอยู่ไปลาอาจารย์ ชวนอาจารย์ว่าให้ไปเ ป, เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าด้วยกันเถอะอาจารย์สันชัยไม่เอาอาจารย์สันชัยก็ถามพระสารีบุตรในโลกนี้คนโง่หรือคนฉลาดมีมากกว่ากันสารีบุตรนั่นยังชื่ออุปติสาอยู่บอกอาจารย์บอกว่าในโลกนี้คนโง่มากคนฉลาดมีน้อยอาจารย์สันชัยท่านก็บอกว่าถ้างั้นอุปติสาเธอก็ไปหาพระสัมมาณครดมเธอไป คนที่มีปัญญาจำนวนไม่มากหรอกที่จะไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าคนโง่ส่วนใหญ่จะมาหาเราในอากาศนี้นี่นมันเป็นการให้เห็นภาพมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่แตคลางพุทธกาล ว, ว่าคนที่จะรับธรรมะในขั้นประณีตจริงๆของพระพุทธเจ้าได้นะเป็นคนส่วนน้อยพวกเราเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยนะเทียบกับคนในโลกมีจานวนนับไม่ถ้วนนะ ตั้งหลายพันล้านหรือคนเชียงโรงเชียงรายนี่มีภกมีเป็นล้านเหมือนกันแต่คนที่จะเข้าใจธรรมะนะสนใจมาฟังฟังแล้วฟังอีกแล้วก็น้อมนําธรรมะไปปฏิบัติจนเห็นผลขึ้นมาเป็นลําดับลําดับเนี่ยมันมีไม่มากหรอกนั่นพวกเราเป็นชาวพุทธแท้ๆนะรู้พระพุทเจ้าแท้ๆจํานวนเราไม่เยอะนะเป็นเรื่องปกติเลยมาถึงวันนี้นะพวกเรา แต่ละคนที่หลวงพ่อดูผ่านๆ น, นี่นะคุณภาพของพวกเรานะสูงกว่าเก่ามากเลยเทียบกันไม่ได้กับสมัยที่มาสอนที่แรกนะพวกเรารู้สึกไหมว่าจิตใจของพวกเราเปลี่ยนไปมากมายดูไฟละสบายหูสบายตาใจพวกเรามีความสงบนะมีความสงบมีความสุขแต่ว่ามีความรู้สึกตัวตื่นเปิดบาน มันจะไม่เหมือนคนอื่นๆทั่วๆไปที่เขาฝึกกรรมฐานกันนะเขาฝึกแล้วเขาไม่ได้มีความรู้ความตื่นความเบิกบานนะอย่างมากก็มีแต่ความสงบซึมๆไปเฉยๆในขณะที่พวกเรานะสงบแล้วก็ร่าเริงเบิกบานรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยพวกเราเขาเรียกว่าเราได้รู้รสชาติของธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นลําดับลําดับไปแต่ละคนถ้าไปส่องกระจกดูจะเห็นว่าหน้าเราไม่เหมือนแต่ก่อน ใครเคยรู้สึกไหมรู้สึกไหมหน้าตาเราไม่เหมือนเดิมหรอกไม่ใช่แก่ลงนะแก่ลงเป็นเรื่องธรรมดามันผ่องใสเพราวะว่าอันนี้มันเกิดขึ้นมาจากใจของเราที่ได้รับการฝึกที่ดีธรรมะเข้ามาสู่ใจของเรามากขึ้นมากขึ้นความรู้ความตื่นความเบิกบานออกมาจากภายหนจทังหน้าตาเราก็เปลี่ยนหน้าตาผ่องใสความรู้สึกนึกคิดเราก็เปลี่ยน ในโลกเขาวุ่นวายแทบเป็นแทบตายเราอยู่กับโลกไดนะ้แต่เราไม่วุ่นวายกับโลกเข้าใจโลกอยู่กับโลกมีความสุขมีความสงบท่ามกลางความฟุ้งทั้ฟุ้งซ่านวุ่นวายสิ่งเหล่านี้คือธรรมะคือผลของการปฏิบัติธรรมะที่พวกเราได้ยินได้ฟังที่ครูบาอาจารย์เขาพยายามสอนสืบทอดกันมาทุกยุคทุกสมัยนะะมาถึงมือพวกเราในวันนี้ ถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตเราจะมีความสุขความสุขเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปลำดับไปเรื่อยเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนจริงๆนะอย่างคนไม่มีทำทานไม่เป็นจะโลภจะเอาของคนอื่นไม่มีความสุขเรามามีธรรมะในใจเบื้องต้นเรารู้จักให้รู้จักทำทานรู้จักเสียสละนะรู้จักอภัยไม่อาฆาตคนอะไรงนี้ เรามีความสุขจากการทําทานเรามีศีลเราก็มีความสุขจากการมีศีลคนในโลกไม่มีความสุขวุ้นวายเปลี่ยนเปี่ยนกันตลอดเวลาถ้าเขาไม่มีศีลพวกเรามีศีลขึ้นมาเนี่ยธรรมะมีศีลจะเป็นธรรมะอันหนึ่งใจเราเปลี่ยนใจเรามีศีลมีธรรมะขึ้นมาใจมีความสุขมีความสงบมากขึ้น ถ้ามาเรามาฝึกจิตฝึกใจให้จิตใจอยู่กับนเนื้อกับตัวเรามีสมาธิความสุขจากการมีสมาธิก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกทําทานเราก็ได้ความสุขแบบคนทําทานรักษาศีลเราก็ได้ความสุขแบบคนรักษาศีลทาสมาธิเราก็ได้ความสุขแบบคนทาสมาธิอย่างพวกเราขณาด น, นี้<ม>บางคนอาจจะบอกไม่เคยนั่งสมาธิแต่ใจเรามีสมาธิขึ้นมาใจเราอยู่กับเนื้อกับตัว ภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหลเป็นสภาวะที่จิตมีสมรรถที่ดีที่สุดเลยนะหรือต่อไปเราจะดูกายดูใจเป็นทํางานนะจนกระทั่งเราเห็นความจริงของกายของใจเกิดปัญญาร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราเห็นความจริงของจิตใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีปัญญาเห็นความจริงเราจะมีความสุขอีกแบบหนึ่ง ความสุขยังไม่เหมือนความสุขของสมาธิความสุขจากปัญญาเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งความสุขของสมาธินะถ้าสมาธิธรรมดาที่เขามีกันในโลกมันเปนความสุขแบบเด็กเด็กเล่นอะไรเพลินๆมีความสุขความสุขจากการมีปัญญานี่ยเป็นความสุขแบบผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมันเต็มมันอิมอยู่ในตัวเองแลมันมีความสุขแล้วถ้าเมื่อไหร่เราพาวนาไปนะศีลสมาธิปัญญาของเราแก่กล้าขึ้นจะเราเกิดบิมุติ เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาเราจะมีความสุขจากการที่บรรลุมรรคผลอีกนะเราจะเริ่มสัมผัสพระนิพพานจะมีความสุขมหาศาลไม่มีอะไรเหมือนเลยความสุขของการทําทานเป็นเรื่องเล็กน้อยมากความสุขของการรักษาศีลเล็กน้อยมากความสุขของสมาธิเป็นความสุขของเด็กๆความสุขของปัญญาเป็นความสุขธรรมดาธรรมดาไม่ไม่เท่าไหร่เลยเมื่อเทียบกับความสุขจากการที่เราสัมผัสพระนิพพาน พวกเรามีโอกาสที่จะสัมผัสปณิพันธน์พอเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าการที่เราจะสัมผัสปณิพานธ์ได้นะเราก็ต้องแบกสิ่งที่ปิดกั้นจิตใจของเราออกไปนะทําให้เราไม่เห็นปณิพานธ์ปณิพัน์มีอยู่ต่อหน้าต่อตามีอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหายเป็นไหนเลยนะแต่ทําไมคนในโลกไม่เห็นแล้วก็วาดภาพกันไว้นะลึกลับพิสดารนะนิพานเป็นอย่างนั้นนิพานเป็นอย่างนี้จริงจนิพงนไไม่่ด้เป็นอยางนั้นอย่างนนี้นะ นิพพานไม่มีรูปร่างไม่มีความปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากไม่มีความบีบคั้นใดๆนะมันเต็มมันอิ่มอยู่ที่ใจของเราเนี่ยถ้าใจของเรามันเต็มมันอิ่มเต็มที่แล้วนะเราจะสัมผัสกับพนิพพานต่อไปไม่ว่าโลกจะถล่มทลายนะนิพพานนี่ไม่ได้ถล่มทลายไปด้วยใจที่ทรงพระนิพพานอยู่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาเป็นความสุขที่มหาศาล ครูบาอาจารย์ท่านเล่ามาสืบทอดกันมานะว่าเวลาภาวนานจนจิตมันหลุดพ้นแล้วเนะี่ยมันปล่อยวางไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจแล้วเนะี่ยจะสัมผัสพระนิพพานเต็มภูมิในเวลานั้นจะมีความสุขมหาศาลแล้วบอสุขปางตายเลยสุขเหมือนจะตายเลยนะสุขมากคนในโลกรู้จักแต่ทุกปางตายไม่รู้จักสุขปางตายเวลาเสียใจมันเข้าถึงธรรมแท้ๆเนะมันสุขจริงๆนะ ม, นๆนะมีความสุข บางองค์ท่านบอกความสุข ท, ท่านทรงอยู่ฝีกว่าๆนะใจก็เข้าสู่เบกขามีชีวิตที่สง บ, บร่าริงเบิกบานพ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเนะนี่ยทิศทางเดินที่พวกเราจะพากันเดินไปนะพวกเรามาถึงวันนี้นะเรางพ่อถือว่าพวกเราที่นี่นะเป็นนักปฏิบัติกลุ่มใหญ่ที่สุดนะ่ที่หลงพ่อเคยพบเคยเห็นมา มีจำนวนขนาดนี้ไม่ธรรมดานะอีกที่หนึ่งที่จิตใจพัฒนาสูงอีกที่หนึ่งที่สาลาดูชินะที่นี่เยอะมากใจเราเปลี่ยนสัมผัสธรรมะมากขึ้นมากขึ้นฟังหลวงพ่อเทศนะอย่าไปคิดมากนะบางคนเนี่ยเทศไรเนาะคือคได้หยินไหมธรรมะจริงๆริเป็นถ่ายทอดจากจิตสู่จิตนะไม่ใช่ถ่ายทอดจากปากไปสู่หู เข้าหูทักนีก็ออกหูทักนี้ไปวเวลาพยายามรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้พวกเราในที่นี้เกือบทั้งหมดรู้สึกตัวได้แล้วพวกเราในที่นี้จํานวนมากเลยนะที่แยกธาตุแยกขันได้แล้วเราเห็นว่ากายกับใจเป็นคนละอันเราเห็นว่าความสุขความทุกข์กับใจเป็นคนละอัน เ, เห็นว่ากุศลกุศลลบกรดลงกับใจก็คนละอัน พวกเราจานวนมากทํามันได้ถึงตรงนี้แล้วถ้าแยกถ้าตุแยกขันอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะดูกายเขาทางานดูใจเขาทางานเรื่อยไปเราเห็นร่างกายมันทํางานเช่นร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าใจของเราเป็นแค่คนดูรู้สึกอยู่เห็นในร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนถุงใบหนึ่งนะเป็นถุงหนังก็เพิ่มเข้ากระเพื่อมออกนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใจเราอยู่ต่างหาก เราค่อยฝึกไปเรื่อยๆกายกับใจก็ควรละอนกันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราต่อไปร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่แล้วอะไรแก่ร่างกายต่างหากแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายค่อยๆฝึกนะต่อไปกระทั่งจะแก่จะเจ็บจะตายยังไม่กลัวแล้วจะกลัวอะไรในโลกนี้ที่เครอกลัวกันที่สุดคือกลัวตายกระทั่ง ความตายเรายังเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาความตายมันเข้ามาที่ร่างกายแม้มันเข้าถึงจิตถึงใจเราสัหน่อยนะใจไม่หวั่นไหวกับความตายมีความสุขนะไม่หวั่นไหวอะไรกับโลกแล้วกลัวที่สุดในโลกก็กลัวตายนั่นแหละนะกระทั่งตายเราก็เห็นว่าอะไรตายร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายแล้วค่อยๆฝึกค่อยฝึ ก, ฝกรู้ตัวขึ้นมาเห็นร่างกายมันหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออก เห็นร่างกายยืนเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายนอนเราเป็นแค่คนรู้คนดูเฉยๆทุกวันเราต้องฝึกต้องซ้อมลองซ้อมดูนะหลวงพ่อจะสอนกรรมฐานให้อันหนึง่งพวกเราเคยได้ยินอนาพานาสติใช่ไหมถ้าทำนาพานาสติเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเอาจิตเนี่ยไปจับไว้ที่ลมหายใจจ้องอยู่ที่ลมหายใจพวกเราลองทาซิเอาจิตไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจให้ลืมโลกไปเลย เอาลมอย่างเดียวเลยลองดูเา่าถอละลืมตาลืมตาเอาใหม่คราวนี้ทําใหม่จําความรู้สึกตรงนี้ไว้นะตอนที่เรานั่งจับลมหายใจจับความรู้สึกไปแต่เป็นี่เอาใหม่ทําอีกแบบหนึ่งเห็นร่างกายเป็นหายใจไม่ได้ดูที่ตัวลมนะรู้สึกทั้งตัวเนี่ยเห็นทั้งตัวเนี่มันกําลังหายใจอยู่ลองดูซิเห็นร่างกายมันหายใจอย่าให้จิตไปจับอยู่ที่ลมนะ ดูทั้งตัวเห็นร่างกายนี้หายใจเห็นไหมร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเอาพอรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับจิตตอนที่จับลมหายใจนะ่ะไม่เหมือนกันพอจะดูออกไหมตรงที่เราไปจับลมหายใจนะัจ้นเราอยู่ที่จ้องลมนะจะนิ่งนิ่งทื่อๆนะไม่ดีหรอก ตัวที่เราเห็นร่างกายหายใจเน่หายใจออกก็รู้สึกอยู่หายใจเข้ารู้สึกอยู่นะเหมือนดูทั้งตัวนะลองยิ้มสิทุกคนลองยิ้มสิยิ้มแล้วก็เห็นตัวเองกำลังยิ้มอยู่ยิ้มหวานๆยิ้มยิ้มให้สวยที่สุดเลยเห็นร่างกายมันยิ้มนะเอาทำหน้าเบื้องสิเห็นร่างกายมันหน้าเบืองนะเนี่ยเคยรู้สึกอยู่ แต่ไก่รู้สึกเปลี่ยนเงี้ยรู้สึกสบายๆนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายเคลืล่อนไหวรู้ส you know. ึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายยิ้มรู้สึกร่างกายหน้านิ่วคิ้วขมวดรู้สึกนะคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าร่างกายมันยิ้มใครเป็นคนรู้ใจเราเป็นคนรู้ ร่างกายหายใจให้เป็นคนรู้ใจเราเป็นคนรู้กายกับใจไม่แยกออกจากกันค่อยฝึกพยายามฝึกทุกวันทุกวันนะให้ชํานาญต่อไปร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่และร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายมันตายไม่ใช่เราตายใจมีค่อยถอนตัวออกจากความยึดถือในกายนี้เห็นความจริงของร่างกายมันก็ถอนความยึดถือในกาย เราต่อไปเราก็มาหาดดูความรู้สึกในใจความรู้สึกในใจเกิดขึ้นอย่างความโกรธเกิดขึ้นนะเรารู้สึกเหมือนกับเห็นคนอื่นโกรธไม่ใช่เราโกรธนะอะไรโกรธความรู้สึกโกรธนะไม่ใช่เราโกรธอะไรโลภความรู้ส <stack glowing> <oni goog ling> ึกเหมือนโลภไม่แค่ความรู้สึกไม่ใช่เราหรอกนะใครฟุ้งซ่านความรู้สึกเหมือนฟุ้งซ่านนะใครมันหดหูความรู้สึกมันหดหูใจเราเป็นแค่ผนดู ใครมันสุขใจมันรู้สึกนะมันเป็นแค่ความรู้สึกของความสุขใจเป็นคนไปรู้เวลามีความทุกข์เกิดขึ้นก็แค่รู้สึกว่ามันทุกข์มันก็แค่ความรู้สึกอย่างหนึ่งทุกอย่างมันก็แค่ความรู้สึกนั่นนจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วมันก็แค่ความรู้สึกนั่นเองไม่ใช่ใจของเราหรอกมันเป็นแค่ความรู้สึกใจเราเป็นแค่คนไปเห็นมันเข้าออเนี่ยเราค่อยๆฝึกนะฝึกในร่างกายเราก็เห็นร่างกายมันเป็นของถูกรู้ถูกดูนะ มันหายใจออกมันหายใจเข้ามันยืนเดินนั่งนอนนานไปเราก็จะเห็นไม่ใช่ตัวเรามาดูความรู้สึกในใจมันก็แค่ความรู้สึกไม่ใช่ตัวเราสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่ตัวเราเนี่ยหัดดูดูไปเรื่อยจนปัญญามันแก่รอบขึ้นมาถึงจุดที่ปัญญามันแก่กล้าแล้วเนี่ยจิตมันจะสลัดจะสลัดตัวออกจากการยึดถือกายยึดถือใจจะคืนกายคืนใจให้โลกไปไม่เอามาเป็นของเรา ไม่เอามาเป็นตัวเราอีกต่อไปเราจะไม่เดือดร้อนกับสิ่งใดเลยนะจะเจอสิ่งที่ชอบเจอสิ่งที่ไม่ชอบมันก็แค่ความรู้สึกจะเจอสุขเจอทุกข์มันก็แค่ความรู้สึกอยู่ชั่วคราวทั้งนั้นในความรู้สึกทุกชนิดเจอเรื่องดีเจอเรื่องร้ายเจอโลภโกรธหลงมันก็แค่ความรู้สึกเห็นมันก็แค่ความรู้สึกร่างกายมันก็แค่ร่างกายภายในจิตใจก็แค่ความรู้สึก หัดดูเรื่อยไปนะสุดท้ายปัญญามันแก่กล้าให้มันจะเห็นในกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราคล้ฝึกไปทุกวันทุกวันนีการที่เราจะมาดูได้ชำนิชำนาญเนี่ยมันมีเงื่อนไขพวกเราต้องถือศีลห้าไว้ก่อนนั้นตั้งใจถือศีลห้าไว้ถ้าเราไม่ถือศีลห้าใจเราจะฟุ้งซ่านคนมีศีลห้าแล้วใจมัสงบเพราะนั้นตั้งใจรักษาศีลทุกวัน รักษาศีลแล้วตั้งใจปฏิบัติแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติบูชาผู้พุท ธ, ธเจ้าที่หลวงพ่อบอกทำในรูปแบบนะทุกวันต้องทำสิบห้านาทียี่สิบนาทีทําให้ได้ทุกวันนะจะป่วยหนักแค่ไหนนะลุกขึ้นมาไหวพระสวดมนต์ไม่ได้ก็นอนไหวนะนั่งภาวนาไม่ไหวนะก็นอนภาวนานะต้องซึงขนาดนั้นนะไม่เลิกทําในรูปแบบทุกๆวันแบ่งเวลาไว้นะสิบห้านาทียี่สิบนาที ทำอะไรบ้างที่ทําในรูปแบบนะก็ไหว้พระสวดมนต์ก่อนเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะลูกพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ก่อนจะทําอะไรเราก็ไหว้ครูของเราซะ ก, ก่อนไหว่พ่อไหว้แม่เราก่อนนะคิดถึงสวดมนต์ไหว้พระไปคิดถึงพรุทธเจ้าคิดถึงคุณความดีของท่านแต่เดิมท่านก็มีกิเลสเหมือนเราท่านได้ต่อสู้มาจนเอาชนะกิเลสได้นะเข้าถึงความบริสุทธิ์ ด้วยความอดทนด้วยความพักเพียรสติปัญญาแล้วยังมีความกรุณามาสอนเราอีกนสอนยากนะว่าจะพาคนคนนึงให้พ้นทุกข์ได้เนะี่ยเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นเลยพาคนไปทําบุญนะี่ไม่ยากนะพาคนไปทอดกระตินทอดพระป่านะี่ไม่ยากหรอกจะพาคนไปนิพพานเนะี่ยากที่สุดเลยนะเพราะสัตว์โลกทั้งหลายมันติดโลกมันไม่อยากไปนิพพานหรอกแต่ไม่ไม่รู้เลยว่าโลกมันทุกข์คนส่วนน้อยหรอกที่จะไปนิพพานได้ พวกเรานี่พวกคนส่วนน้อยนะแต่ละคนเดินมาในเส้นทางที่พัฒนาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาใช้ได้เชียวละดูแล้วสดชื่นตามจริงๆเพราะเราใครรู้สึกว่าจิตใจของตัวเองเปลี่ยนแปลงบ้างรู้สึกไหมรู้สึกไหมยกมือให้ดูหน่อยซิไหนรู้สึกไหมใจเราเปลี่ยนใช่บางคนเปลี่ยนมากเลย ผมยาวอนนี้เปลี่ยนเยอะเลยหนึ่งสองสามเออใช่เราเปลี่ยนเปลี่ยนจำนํำนวนมากเลยในเนี้ยไหวพระสวดมนต์นะทุกวันแล้ววันไหนมันฟุ้งซ่านทําความสงบวันไหนมันสงบแล้วฝึกให้จิตตั้งมั่นวันไหนจิตตั้งมั่นแล้วนะฝึกแยกธาตุแยกขันแยากกายแยกใจ วันไหนแยกกายแยกใจได้แล้วจเจริญปัญญาเนะ่งั้นเวลาที่เราทําในรูปแบบเนี่ยทำได้หลายอย่างตามระดับคุณภาพจิตใจของเราในแต่ละวันแต่ละวันเบื้องต้ น, ะ น, ตนไหวพร้าสวดมนต์ก่อนปุ๊บบางคนวันนี้ฟุ้งซ่านมากก็ทําความสงบนะบางคนมงโมโหอ่านข่าวการเมืองดูข่าวการเมืองโทสะขึ้นนะทํายังไงใจจะสงบก็จเจริญเมตตา บริกรรมไปเมตตาคู่นังอรหังเมตตาเมตตาคู่นังอรหังเมตตาบริกรรมสบายสบายไปนะใจได้สมาธิใจสงบสว่างสบายไม่โมโหละสงบคนไหนราคารุนแรงบ้ากามเต็มทีล้กนะ็พิจารณาร่างกายดูร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภาใจก็สงบถ้าคนไหนธรรมดาธรรมดา ราคาโทรศารอะไรก็ธรรมดาไม่รุนแรงมากนะะรู้ลมหายใจไปก็ได้นะเห็นร่างกายมันหายใจอย่าไปดูลมหายใจนะให้ดูร่างกายหายใจถ้าดูลมหายใจจิตจะเครียดอย่าไปเพ่งให้ดูร่างกายมันหายใจไปแป๊บเดียวจิตจะสงบนะเห็นร่างกายหายใจสบายสบายจิตก็สงบเพราะหลักของการทำความสงบอยู่ที่สบายถ้าจิตใจสบายจิตจะสงบนะนี่หลักต้องแม่นนะ งั้นอย่างเราวันนี้เราฟุ้งซ่านมากเราก็มาเห็นร่างกายหายใจไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องคิดว่าทําไงจะสงบดูร่างกายมันหายใจไยสบายๆเดี๋ยวมันสงบของมันเองนะหรือกโกรธมากก็เจริญเมตตาไปเดี๋ยวมันก็สงบของมันเองนี่ถ้าเราวันนี้เราไหว้พระสวดมนต์เสร็จจิตเราสงบอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องมาทําตรงนี้ข้ามไปอีกขั้นหนึ่งนะมานั่งรู้ทันจิตใจของตัวเอง ทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งเช่นหายใจไปเห็นร่างกายหายใจไปแล้วค่อยรู้ทันจิตหายใจเข้าหายใจออกนะจิตนี้ไปแล้วจิตนี้ไปคิดรู้ทันหายใจไปแล้วจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจรู้ทันอันเนี้เราจะได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งคือจิตจะตั้งขึ้นมาตั้งมั่นนี่วันไหนถ้าเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่แล้วไม่ต้องไปตั้งอะไรใหม่นะ มาดูกายเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันไหว้พระเห็นร่างกายมันกราบพระแยกกายกัใจออกจากกันหรือเห็นความรู้สึกวันนี้มีความสงบเห็นความสงบกับจิตใจเป็นโค้านกันความสงบเป็นสิ่งที่จิตใจไปรู้เข้าค่อยๆฝึกแยกแยกมันไปได้่ะแยกหัดแยกขันแยกธาตุแยกขันวันไหนมันแยกแล้วนะนี่ยพวกเราเกินครึ่งนะหลวงพ่อบอกได้เลยนะ พวกเราในนี้เกิดครึ่งนะขันมันแยกแล้วขันมันแยกแล้วใจมันเป็นคนดูร่างกายมันเคลื่อนไหวใจมันเป็นคนดูได้เนี่ยทั้งๆที่มานั่งอยู่นี่แหละขันมันแยกใจมันอยู่ตระหากมันเป็นแค่คนดูร่างกายแค่เป็นคนดูความรู้สึกถ้ามันแยกแล้ววันไหนมันแยกแล้วนะเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วขันมันแยกแล้วนั่งดูขันมันทํางานดูเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นโอ้ร่างกายมันเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยง เป็นทุกเป็นอนัตตาดูเพื่อเห็นจิตใจมันเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาดูเพื่อให้เห็นนะไม่ใช่ไปแทรกแซงไปดัดแปลงมันแค่เห็นอย่างที่มันเป็นร่างกายเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วจิตใจเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรหรอกมันเป็นอยู่แล้วเราแค่ไปเห็นอย่างที่มันเป็นเนี่ยวันไหนจิตใจเรามีเรื่องมีแรงนะขันมันแยกแล้วเราก็ดูกายดูใจแสดงไตรลักษณ์ไปเรียกว่าเจริญปัญญาเนี่ยการทําในรูปแบบนะ ทำได้หลายอย่างเลยไหวพาส่วนมนเสร็จถ้ายังไม่สงบทำความสงบถ้าสงบแล้วทําความตั้งมั่นให้จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาตั้งมั่นแล้วหัดแยกขันธ์เห็นกายกับใจมันแยกกันเห็นความรู้สึกกับใจเป็นแยกกันแยกขันธ์ได้แล้วดูขันธ์แสดงใจรักถัดจากนั้นไม่ต้องทำอะไรละถ้าดูขันธ์แสดงใจรักนะก็ดูมันทํางานไปนี่ดูไปสูงก็ดูได้ห้านาทีจิตเริ่มฟุง้งซ่านถ้าจิตเริ่มฟุง้งซ่านกลับมาทําความสงบใหม่ กนะลับมาวกกลับมาลงมาทําไมนะหรือดูดูไปจิตชักถลําลงไปดูแลรู้ทันว่าจิตเคลื่อนให้จิตตั้งมั่นขึ้นมานะย้อนถอยหลังออกมาเนี่ยทุกวันต้องซ้อมนะในเวลาสิบห้านาทียี่สิบนาทีนะี่ต้องทําถือว่าเราสละเวลานิดหน่อยในวันหนึ่งเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติบูบบบชาในะนี้ดีกว่าไปทําอย่างอื่นนะเราเอาเงินทองเป็นล้านล้าน ไปแต่ไว้พระไปสร้างวัดสร้างอะไรเนะี่ยยังไม่ได้บุญเท่าปฏิบัติบูชาแต่ละวันเลยนะปฏิบัติบูชาทุกคราวเนี่ยได้บุญมหาศาลยิ่งกว่าสร้างวัดทั้งวัดอีกนะงั้นเราถึงเราจะยากจะจนยังไงนะเราก็ปฏิบัติบูชาได้ไม่ต้องน้อยใจว่าเราไม่มีเงินทําบุญมากๆอย่างคนอื่นหรอกคนจนก็ไปนิพพานได้ไม่ใช่ต้องแต่คนรวยเมื่อไร่ะนะงั้นเราทุกวันตั้งใจปฏิบัติบูชาไว้นะฮะแรกถือศีลห้านะที่สอง ทำในรูปแบบอันที่สเวลาที่เหลือเวลาที่เหลือปฏิบัติในชีวิตประจาวันในชีวิตประจาวันก็คือชีวิตอย่างขนาดนี้แหละชีวิตธรรมดานี้แหละไม่ได้นั่งไปพระอยู่ที่ไหนเป็นชีวิตที่เราใช้ชีวิตธรรมดาอยู่กับโลกนะเวลาที่เราปฏิบัติในรูปแบบเนี้ยเราตัดการรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นออกไปตัดออกไปสี่ช่องเราเหลือแต่ความรู้สึกในกายในใจนะ เราหัรู้สึกรู้สึกอยู่ในกายในใจพอรู้สึกได้ชํานาญนะต่อไปเรามาอยู่ในชีวิตข้างนอกนี้ชีวิตข้างนอกนี่เรากระทบอารมณ์ได้ทั้งหกช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในชีวิตประจําวันนี่นะยากกว่าการปฏิบัติในรูปแบบตอนที่เราทําในรูปแบบนั่งไว้พากวนนั่งทําสมำตำตาธิอะไรอยู่เนี่ยทำง่ายกว่าตอนที่ออกมาอยู่ในชีวิตจริงเฉะนั้นถ้าในชีวิตจริงเนี่ยสติของเรายังเกิดได้เนี่ยถือว่าชั้นยอดแล้ว ถ้าในชีวิตจริงจิตย่งตั้งมั่นอยู่ได้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะถ้าในชีวิตจริงขันยังแยกได้เก่งมากแล้วนะถ้าในชีวิตจริงเห็นใจรักของขันได้เนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดของการปฏิบัติละเมื่อกี้ที่หลวงพ่อมาถึงนะนั่งอยู่ในห้องกระจกเนี่ยมองออกมาที่พวกเรานหลวงพ่ อ, อเห็นแล้วชื่นใจนะพวกเราจํานวนมากเลยที่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลง บาคนหลงพ่ก็จาหน้าได้บางคนจําหน้าไม่ได้แต่เห็นเรารู้ว่าเปลี่ยนนะใจเราไม่เหมือนเดิมทั้งๆ ท, ที่เรานั่งอยู่ตรงเนีนะ้อยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างเนี้ยนะพวกเราจํานวนมากเลยแยกขันได้พวกเราจํานวนมากเลยเห็นขันแสดงไตรลักษณ์ได้นี่อย่างนี้ตัวเยอะเก่งจริงนะมีคนไปที่วัดหลวงพ่อนะมีคนซึ่งเขาชอบไปตามวัด ต่างๆไนั่งสมาธิเข้าไปที่วัดหลวงพ่อแล้วเขาก็าไปเห็นทุกคนมีชีวิตที่ปกติธรรมดาเดินไปเดินมากินข้าวยิ้มหัวเราะนะเข้าห้องน้ำทำอะไรอย่างนี้ปกติหมดเลยเขาสงสัยมากเลยว่าวัดนี้เขาทำกรรมฐานอะไรทำไมเขาไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมพร้อมๆกันคนนี้สงสัยมากมันไปถามแม่ชีถามคุณแม่ชีว่าที่นี่เขาปฏิบัติยังไงอ่ะ คุณแม่ชีก็เลยบอกนี่แหละสุดยอดของการปฏิบัติละถ้าในชีวิตธรรมดาอย่างนี้ยังทําได้นะ่ะไอ้เรื่องนั่งสมาธินี่เรื่องเล็กๆเลยเรื่องเด็กๆเลยเนีเรื่องๆๆที่ทําอยู่คนเดียวรู้สึกไหมอยู่ข้างนอกเนี่ยใจเราแหวงง่ายไปนั่งอยู่คนเดียวรู้สึกไหมใจเราแหวงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยถ้าขนาดนี้ยังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยังรู้สึกตัวได้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดา นักปฏิบัตินะถ้าเก่งเฉพาะตอนนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระแล้วก็ไม่ได้กลิ่นหรอกจะแน่จริงก็ต้องออกมาอยู่กับโลกนอกเนี่ยแล้วอยู่ได้จึงจะแน่จริงนะกรรมฐานที่สุดยอดของกรรมฐานจริงๆก็คือการที่มีชีวิตอยู่ธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ก่อนที่จะมามีชีวิตที่ธรรมดาอย่างนี้แล้วปฏิบัติกรรมฐานได้นะต้องฝึกมาก่อนต้องหัดทาในรูปแบบมาก่อนนะเหมือนทหารนะจะลบเก่ง ข้าสนามลบมๆได้เก่งว่องไวนะเอาตัวรอดได้ชนะศัตรูได้ก็ต้องซ้อมรบมาก่อนงั้นพวกเราอยู่ในชีวิตจริงเนี้ยเราสามารถรักษาจิตใจของเราให้พ้นจากอํานาจกิเลสได้มีสติมีสมาธิมีปัญญารักษาจิตใจของเราไว้ไดนะ้ก็เรียกว่าคนเก่งแล้วก็วต้องซ้อมมาก่อนเนะงั้นทุกวันต้องซ้อมแบ่งเวลาไหว้พาส่วนมนตนะ์นั่งสมาธิเดินจงกรมไปวันไหนฟุ้งซ่านทําความสงบ วันไหนสงบทําความตั้งมั่นตอนไหนมันตั้งมั่นแล้วหัดแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูจิตใจเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูวันไหนแยกธาตุแยกขันธ์แยกกายแยกใจได้แล้วดูกายดูใจแสดงไตรักเห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราเห็นจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนีฝึกอยู่นะให้ชำนิชํานาญพอฝึกได้ดีแล้วออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี้ดูสิแน่จริงหรือเปล่า เมื่อสักสาปีก่อนนะหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ยุคนนั้นครูบาอาจารย์ยังมีเยอะมีลูกศิษย์หลวงปู่ดูลด้วยกันนี่แหละแต่ตอนนั้นเป็นเนนยังเป็นเนเนเพ้วหน้าเก่งอขยนัขยนเกียร์ันแล้วตอนนั้นหลวงปู่สิ้นไปไม่นานแกซุ่มอยู่ในป่าเพาะหน้าอยู่คนเดียวนะอยู่ในป่าแล้วก็ออกพรรษาแล้วเข้ามากรุงเทพหลวงพ่อก็ยังไม่ได้บวชตอนนั้นก็ไปเจอ แล้วมาหามาหากันถามว่ามาทำอะไรมาทดสอบว่าที่ฝึกอยู่ในป่าเนียได้ผลแค่ไหนหลวงพ่อล้ถามแล้วเนนได้ผลแค่ไหนนะโอ้พังภาพไปแล้วละ่ะเก่งเฉพาะตอนอยู่คนเดียวเก่งเฉพาะอยู่ในป่านะออกมาอยู่ในเมืองเนี่ยเห็นผู้หญิงนะ้มันสวยสวยไปหมดเลยนะบางคนอายุตั้งห้าสิบหิแล้วมันยังสวยสวยนะ อยู่ในปา่าไม่เห็นไข่นะเห็นแต่ลิงอย่เงี้ยนะเอามาเจอผู้หญิงอายุห้าสิบหกสิบก็ยังสวยสวยกว่าลิงอีกแหละนะใจเนี้ยบอกเละไว้หมดละสู้ไม่ไหวบอกเฮียฝึกอย่างนั้นสิฝึกแบบนี้โลกนะออกมาเจอโลกจริงๆกับฟังภาพเลยฝึกอยู่กับโลกอย่างนี้แหละคาวาสนี่แหละฝึกดีนักแหละสมัยที่หลวงพ่อหัดกรรมฐานนะสามสิบ ป, ปีก่อนนะหลวงพ่อเป็นคาวาสอย่างพวกเรานี่แหละ ปฏิบัติแล้วถึงเวลาไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์พวกพระอุปัมภาพวกอะไรเนะี่ยได้ยินได้ฟังที่คุยกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะชมหลวงพ่อเสมอแหละพอออกจากครูบาอาจารย์มาบางทีตามมาถามโยมทําได้ไงโยมปฏิบัติปีสองปีพระปฏิบัติ10ปี20ปีไม่ได้อย่างโยมเลยบอกฟังปฏิบัติทั้งวันนะตั้งแต่ตื่นนอนนะ ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยรู้สึกตัวแล้วเห็นร่างกายมันนอนเห็นใจิตใจมันทำงานตอนนี้นยังรับราชการอยู่ขี้เกียจทำงานชอบแต่รับเงินเดือนนะขี้เกียจทำงานตื่นนอนมานึกได้ว่าวันนี้วันจันนะใจนี่เหี่ยวแห้งเลยขี้เกียจไม่อยากไปทำงานวันอังคารขี้เกียจใหญ่เบือ่อวันพุธเนี่ยสุดเซง็งไม่ขี้เกียจนะแต่เบือ่อเซ็ง วันพฤหัสตื่นนอนมาเวันนี้วันพฤหัสนะจิตใจสดชื่นนะวันศุกร์นะตื่นมาวันนี้วันศุกร์นึกได้ว่าวันศุกร์นะจิตใจก็ดีกระดาเลยมีความสุขมากเลยมีความสุขได้หยุดงานแลวันเสาร์พอบ่ายวันอาทิตย์นะใจเริ่มเส็งอีกแล้วเดี๋ยวจะถึงเวลาทํางานเี่ใครเป็นไหมรู้สึกไห้บ่ายวันอาทิตย์เนี่ยไม่สดชื่นถ้าบ่ายวันศุกร์เรื่อยๆไปวันศุกร์ยังทํางานนะแต่สดชื่น ว่ยวันาทินี่เซ็งเซ็งแห้งแห้งเหงาเงาเนี่ยปฏิบัตินะเนี่ยคือการปฏิบัตินะรู้ทันความรู้สึกของตัวเองอ่ะรู้ทันมันตั้งแต่ตื่นนอนเลยตื่นนอนมาวันนี้รู้สึกอย่างนี้ตื่นนอนวันนี้รู้สึกอย่างนี้นะเราลุกขึ้นมาจากเตียงแนละ้วความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทั้งวันน่ยความรู้สึกเปลี่ยนทั้งวั น, นเห็นความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยฝึอกอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยนะ จะอาบน้ําก็รู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงอย่างหน้าร้อนเนะนี่ยอาบน้ามีความสุขหน้าหนาวนะเจอน้ําเย็นๆสยองหลวงพ่อคนรุ่นโบราณอาบน้ําในตุ่มใครเคยอาบน้ําในตุ่มไหมยังมีไหมแต่ตอนนี้มีตุ่มน้ำไหมีแต่ถังนะถังยังไม่ไม่แซบเท่าตุ่มมันเป็นฟ้าสติกเป็นะไรนะตุ่มน้ําตุ่มดินนะนะโอ้ยมันเย็นใจเยือกเลยนะ หน้าหนาวเนี่ยแค่ว่าเราจะอาบน้นําเราเห็นตุ่มนะใจมันสยองแล้วนะเนี่ยนักปฏิบัตินะ <S 2> <S 2> นักปฏิบัติไม่ใช่เห็นหน้าหนาวเห็นน้ําเย็น <S 2> <S 2> <ๆ>ใจก็อุเบกขาอาบก็อุเบกขาอะไรอย่างนี้นะไอ้ใหญ่ท่านแกล้งทนะําแล้วใช้ใจธรรมดาเนี่ยนะดูไปใจของเรานี่แหละเปลี่ยนเราปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่ามันเปลี่ยนนะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มันนิ่งจะอาบน้ําความรู้สึกก็เปลี่ยนจะขับถ่ายความรู้สึกก็เปลี่ยนนะ วันไหนท้องผูกขับถ่ายไม่ได้รู้สึกมีความสุขไหมเออขาถ่ายออกมาก้อนแรกมีความสุขมากไหมออถ่ายไปเรื่อยๆไม่ยอมเลิกเลยชักกลุ้มใจอีกเลยนะขนาดขับถ่ายนะก็ต้องปฏิบัตินะจะกินอาหารก็ต้องปฏิบัติอย่างเราหิวมากเลยคำแรกอร่อยไหมหิวจัดคำแรกไม่รู้รสหรอกยัดข้าปากกลืนกลืนกลืนไม่ทันรู้รสนะออพอหายหิวไปหน่อยแล้วค่อยรู้รสหน่อย อร่อยไม่ชอบค่อยๆกินไปชอบชอบกินไปเรื่อยๆนะของกาอนเก่าแล้ชักไม่อร่อยละชักไม่ชอบลนะเบือ่อหรือเบื่อหรือว่ามันชักอิ่มนะชีะเอีนความรู้สึกนะมันเปลี่ยนแค่กินข้าวนะความรู้สึกก็เปลี่ยนนะอาบน้ําความรู้สึกก็เปลี่ยนขับถ่ายความรู้สึกก็เปลี่ยนจะทําอะไรความรู้สึกเราก็เปลี่ยนทั้งวันเนี่ยสุดกรรมฐานนะสุดยอดอยู่ตรงนี้เลย ถ้าหากในชีวิตประจำวันเราเนี่ยซึ่งมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตั้งหกช่องใจของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆยเรายังมีสติตามรู้ได้เนี่ยเก่งมากเลยนะอย่างที่พระท่านเคยชมหลวงพ่อโยมทำได้ไงปีสองปนะีพระทำสิปี2ีป่ปีไม่ได้เท่าโยมหลวงพ่อตอบท่านผมทาทั้งวันผมทำทั้งวั น, ผ ม, ททวนผมเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งวัน ส่วนท่านทำสิปียี่สปีท่านทำอะไรทำสมาธินิ่งไปเลยลืมตา ม, มาอีกทีหมดไป3ทชั่วโมงแล้วยังไม่ได้เจริญปัญญาเลยส่วนเราเนะี่ยเจริญปัญญาจี๋จี๋จี ท, ท่านจะตื่นมันไม่เหมือนกันหรอกงั้นฝึกให้ได้ในชีวิตจริงนี่แหละดีที่สุดแต่ในชีวิตจริงจะสู้ได้ก็ต้องซ้อมทำในรูปแบบถ้าเราปฏิบัติ ในชีวิตธรรมดาอย่างนี้ตลอดนะเราคอยรู้กายรู้ใจอยู่ในชีวิตธรรมดาตลอดเลยแล้วไม่เคยไม่พาส่วนม น, นั่งสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบเลยนะถึงจนหนึ่งจิตใจเราจะไม่มีพลังแรงจะตกแรงจะตกนะ้าจะมามีสติหรือในชีวิตประจำวันไม่ได้จริงนะดูกายดูใจไม่ได้จริงหรอกเั้นทิ้งไม่ได้นะการทําในรูปแบบจนะทําในรูปแบบแนละ้วก็เพื่ออะไรเพื่อได้มีกําลังมาเจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตธรรมดาในชีวิตจริงๆนี้ แต่หักกันในชีวิตธรรมดานี่แหละเพราะชีวิตส่วนใหญ่ของเราอยู่อย่างเนี้ชีวิตส่วนใหญ่ของเราไม่ได้อยู่นั่งสมาธิเดินจงกมรมเมื่อไหรล่ะงั้นในชีวิตธรรมดานี้ทําให้ได้เราจะปฏิบัติทั้งวันเลยคราวนี้ยเหมือนที่หลวงพ่อตอบพระนัานนะผมปฏิบัติทั้งวันเดี๋ยวทั้งวันตั้งแต่ตื่นเลยในชีวิตนี่แหละธรรมดานี่แหละอย่างเมื่อก่อนนั่งประชุมนะบางคนเราต้องไปนั่งฟังนั่งโจทย์นั่งอะไรอย่างนี้นะ บางคนมันพูดอะไรหาสาระไม่ได้เลยผู้ใหญ่บางคนนะพูดจะพูดยาวไม่มีนะไม่มีเนื้อมีแต่น้ำํำถึงตอนนี้เราก็เบื่อเบื่อเราก็ทําเป็นลืมตาไปางั้นนะเราก็ภาวนาของเราไม่ฟังเขาหรอกนานๆแอบออกมาฟังทีว่าอยากอยู่ที่เก่าเลย เ, เข้าไปพักใหม่ะเราก็พักนะได้พักเนื้อใจเข้าออกเข้าออกนะฝึกอยู่งั้นนะเราเข้าสมาธิโดยที่ไม่ต้องหลับตา นั่งฟังเหมือนเราฟังเข้าอยู่นะพูดเยอะๆไม่ได้อะไรเท่าไหรหรอกของปลอมของจริงไม่ต้องพูดเยอะของจริงวัดกันด้วยใจใจของเราเป็นไงเรารู้ไหมฝึกนะฝึกให้ได้วันหนึ่งจะได้เห็นอัศจรรย์จริงๆแต่หลวงพ่อพูดได้อย่างนะพวกเราในที่นี้นะเกินปรครึ่งเนี่ยเริ่มเห็นความอัศจรรย์ของธรรมะแล้ว เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วแต่ละคนแต่เดิมบางคนนะถือศีลไม่ได้ตอนนี้เราถือศีลง่ายๆไม่ยากแล้วเนี่ยอัศาจรรย์นะจากถือศีลไม่เคยถือได้นะถือง่ายตอนนี้จะทำผิดศีลที่เราอายใจทำไม่ได้ละเนี่ยคือความอัศาจรรย์ของธรรมะนะเราไม่เคยทำสมาธิเลยนะ ใ, ใจเราสงบมีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมา S <S <an> เห็นไหมเรามีความเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากใจที่ฟุ้งซ่านตลอดนะแต่เติมเราอยู่กับโลกฟุ้งตลอดเราไม่รู้ว่าฟุง้งเรามาได้ยินได้ฟังธรรมะไปเรื่อยๆนะใจเราอยู่กับเนื้อกระตัวขึ้นมาใจเราสงบเรื่องสมา ธ, ธิเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะมีสมา ธ, ธิอยู่ทั้งวันมีสมาธิอยู่ทั้งคืนนะใจมันอยู่กับเนื้อกระตัวเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะเราไม่เคยคิดเลยว่าธาตุขันธ์นี้แยกออกจากกันได้คิดว่าตัวเรามีหนึ่งเดียว มาภาวนาเข้ามาได้ยินได้ฟังธรรมะเข้าเราเริ่มเห็นนักกายกับใจก็ควรล้านความสุขความทุกข์กับกายก็ควรล้านความสุขความทุกข์กับใจก็ควรล้านกิเลสก็ไม่ใช่กายไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่จิตใจเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่แปลกปลอมเข้ามานี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เราสามารถแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะออกเป็นส่วนๆได้แลนะ้แยกขันออกเป็นส่วนๆได้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์อีก อาเซจันหนักขึ้นไปอีกนะเราเห็นกายมันทํางานได้เองนะใจมันทํางานได้เองนมันเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยร่างกายในยบางทีจิตก็สั่งนะอย่างสั่งให้ยกมือสั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่บางจุดบางเวลาเนี้ยสั่งไม่ได้พวกเราคนไหนเคยภาวนาเช้กลางคืนนอนหลับอยู่แล้วจิตมันตื่นขึ้นมาแต่ร่างกายยังหลับอยู่เคยเจอไหมเราสั่งให้กระดุกกดิกไม่ได้นะ สั่งขยับมือสั่งอะไรนี่ไม่ได้เลยร่างกายนอนกลนครอกๆนั้นบอกมันอยากกลนมันยังไม่เชื่อเลยน ะ, ะมันไม่ใช่ตัวเราเลยเป็นเรื่องแปลกนะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนีเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆใครๆก็นึกไม่ถึงนะร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเราเห็นเลยความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราแต่เดิมเราวิ่งหาความสุขแทบเป็นแทบตายเลยตอนนี้เหลือความสุขมากก็งนันๆนหะ่ะรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ไปนะความทุกข์มาแต่ก่อนเนี้จะเป็นจะตาย เดี๋ยวนี้เหลือเฉยๆความทุกข์มาเดี๋ยวก็ไปเนี่ยมันเปลี่ยนนะอัศจรรย์จริงๆเลยอะไรๆมันก็ชั่วคราวไปหมดเลยชีวิตจิตใจความรู้สึกนึกคิดมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะใจเข้าถึงความสุขความสงบเป็นลําดับลําดับขึ้นไปนะถึงวันหนึ่งได้มรดกได้ผลนี่ยิ่งอัศจรรย์ขึ้นอีกโอ้ทำมาอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอเป็นไปได้เหรอือว่าตัวเราไม่มีเวลาได้โสดาแล้วนะเราจะรู้สึกเลยขันมันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของ ร่างกายมีอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของความสุขความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของกุศลอกุศลมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของจิตใจมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของมันแปลกถึงขนาดนี้นะจิตใจที่ว่าเป็นเราเรานะถึงจุดหนึ่งเนี้ยไม่มีเจ้าของหรอกมันก็ทําหน้าที่รู้ของมันไปคิดนึกปรุงแต่งเอามันไปนะเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆเลยเรเห็นทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวไปหมดเห็นทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีเจ้าของ เห็นกายเห็นใจนี่ไม่มีเจ้าของมีการทำงานแต่ไม่มีผู้กระทำอะไรทำอ่ะร่างกายมันทำความสุขความทุกข์มันทำงานขุนศนอาขุนศนมันทางานจิตใจมันทำงานแต่ไม่มีคนทำงานไม่มีเราทำงานนะไม่มีผู้ทำงานขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของมีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำแล้วความทุกข์มันจะไปตั้งที่ไหนความทุกข์ไม่ตั้งอยู่ที่ขันความทุกข์มัตั้งอยู่ที่เราไม่ได้เพราะไม่มีเรา ความทุ่มจะอยู่ที่ขันนี่เป็นธรรมะขั้นสูงมากนะวันหนึ่งพวกเราจะเห็นอดทนอดทนไปฟังซีดีหลวงพ่อเรื่อยๆไปไม่ต้องกลัวโง่นะฟังบ่อยๆฟังซ้ําแล้วฟังอีกไปจิตใจเราจะเติบโตขึ้นมามันเหมือนต้นไม้รดน้ําไปเรื่อยรดน้ำพรวดินไปเรื่อยนะวันหนึ่งมันก็เติบโตขึ้นมาก็รดน้ําจิตใจเราโดยการฟังซีดีหลวงพ่อนี่แหละฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ดูของจริงดูกายดูใจไปเรื่อย มันจะเติบโตขึ้นได้แล้ววันหนึ่งนะจะผลิดอกออกผลขึ้นมาเป็นเป็นดอกไม้ที่งดงามนะเบิกบานดอกไม้ในสวนของพระพุทธเจ้างดงามมากเลยไม่มีอะไรเหมือนดอกไม้ในโลกประเดี๋ย ว, เ, ย ว, ว, ยวยเดียวก็เหี่ยวแล้วเนี่ยโรยสวยๆเนี่ยเดี๋ยวก็เหี่ยวละนะใจที่เข้าถึงธรรมะงามมีความสุขไม่เหี่ยวไม่เฉาเลย ยิ่งนานวันนะยิ่งมีความสุขวันที่ธาตุขันแตกเนะี่ยิ่งมีความสุขมากมันหมดภาระอีกละคนในโลกธาตุขันแตกก็ตายความตายของคนในโลกคือการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างความตายของพระอราหันต์คือการวางภาระทั้งหลายมีความสุขนะไม่เหมือนกันพว ก, กเราเดินไปทุกวันทุกวันตามรอยพุทธเจ้า รักษาศีลปฏิบัติทุกวันในรูปแบบเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมีสติคุ้มครองจิตใจตัวเองไปไม่ต้องไปดัดแปลงมันแต่ดูความเปลี่ยนแปลงของมันทำให้ได้นะเราจะรู้ว่าอัศจรรย์จริงๆเลยอัศจรรย์มากไม่น่าเชื่อมันไม่น่าเชื่อนะว่าเรื่องง่ายๆแค่นี้พาให้เราพลุกกได ง่ายง่ายแค่รักษาสีลห้าต้องสีนแปดสินสิบอะไรกับใครเขาหรอกนะแค่ศีลห้านี่แหละก็พาให้เราพ้นทุกไม่น่าเชื่อเลยว่าสมาธิชนิดที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะอันนี้แหละจะพาให้เราพ้นทุกได้ไม่น่าเชื่อเลยนะ่าการที่ธาตุขันมันแยกออกไปแล้วเราเห็นมันทํางานเนะี่ยพาให้จิตปล่อยวางได้ไม่น่าเชื่อเลยว่าปล่อยวางแล้วมีความสุขได้ขนาดนั้น มีภาระมันไม่มีเหมือนหมดภาระพนะี่ว่าจบกิจเคยได้ยินไหมจบกิจนะไม่มีอะไรต้องทําอีกชาติชาติคือความเกิดไม่มีอีกแล้วนะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติทำนะทําเสร็จแล้วกิจที่ควรทำํำนเะสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์ุดพ้นไม่มีอีกไม่ต้องทําอีกนะฝึกไปเรื่อยๆ ถึงวันหนึ่งเพื่อเข้าถึงกระแสะธรรมจริงๆโ oh, อ้อาศักดิ์สรร์แล้วเราจะรักพระพุทธเจ้านะรักพระพุทธเจ้ายอมเป็นยอมตายเพื่อพระพุทธเจ้าได้เลยเคยมีสมัยพุทธกาลนะมีคนคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนเห็นคนเขาไปฟังเทศกันก็เข้าไปบ้างในที่เขาฟังเทศพระพทเจ้าท่านเทศอยู่ เห็น <He> คนเข้าไปเยอะ<ๆ>เข้ารวมกันเยอะๆกะว่าเดี๋ยวเข้าไปนะาเขาคงมีโรงทานอะไรเงี้ยนี่ได้กินข้าวเที่ยวขอทานมานะคนเป็นโรกเรือนนี่พี่กันปรากฏว่าตอนนั้นคนกําลังฟังเทศอยู่เขายังไม่แจกฐานแค่อยู่ท้ายแถวเลยก็ได้ฟังธรรมมาของพระธเจ้าอะบรรลุโสดาบันบรรลุโสดาบันแล้วก็คนเที่ยวเขเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรนะ่ะเดี๋ยวไปละ มากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปธรรมมาของพระองค์แจ่มแจ้งพระเจ้าค่าเหมือนเปิดของที่คว่ำอยู่ให้ไงเหมือนจุดประทีปขึ้นมาโดยหวังว่าคนที่มีตาดีจะมองเห็นธรรมมาของพระองค์อัศจรรย์สารเสริจแล้วก็ไปแล้วก็พระอินทร์นะพระอินทร์ในเรื่องเนี้ยก็ไปลองใจบอกว่าลองตำหนีพระพุทธเจ้าสิ ถ้าตำหนี่พระพุทธเจ้าได้นะอยากได้อะไรจะให้ทุกอย่างเลยให้ใหว่าพระพุทธเจ้าให้ฟังสักหน่อยนี่พระอินทร์ไปลองนะถ้าแกว่าขึ้นมาเนี่ยพระอินทร์จะบาปด้วยพออยู่ๆดีๆแล้วพิยุให้เขาตกนรกใช่ไหมคนขอทานโรคเรือนนี่นะชี้หน้าเลยว่านี่นี่เป็นอันธพาลยังไงเราก็ไม่ยอมปรมาโมทล่วงเกินพระพุทธเจ้าหรอก ให้เอาสมบัติทางแผ่นดินมาให้เราก็ไม่ปราโมทยรงเกินพระอิน์ก็ดีใจนะขอขึ้นไปสรรเสริญก็ไปทูลพระพุทธเจ้าพระพุเจ้าก็บอกไม่แปลกอะไรนะคนคนนี้เป็นลูกเราน่ะเป็นคนขอทานโลกเรืองนานานฐานนะพระพุทเจ้าบอกเป็นลูกท่านนะคนคนนี้คือใจเข้าถึงธรรมะแลได้โสดาเป็นลูกท่านลนะคนคนนี้ไม่ทําไ ม, ไม่ไม่ด่าพระพุทธเจ้าหรอก ให้ทำยังไงก็ไม่ว่าพระพุทธเจ้าหรอกนะเพราะศรัทธาของภรรยาบุคคลเนี่ยแน่นแฟนในพระรัต น, นะรัยใจแน่นแฟนในพระรตะนัดใจนี่พวกเราค่อยฝึกนะวันหนึ่งใจของเรากับธรรมะเป็นอันเดียวกันนะศรัทธาของเราจะแน่นแฟนในพระพุทธเจ้าจะรักพระพุทธเจ้ายอมเป็นยอมตายได้เลยฝึกทุกวันทุกวันนะถือว่าเราบูชาปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้า เราไม่ใช่คนตัวคนเดียวพวกเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่จะทำตัวให้พ่อแม่ชื่นใจเราเป็นลูกพทธเจ้านี่แหละหัดทุกวันปฏิบัติไว้รักษาศีลไว้จเจริญสติไว้ทำให้พ่อแม่หรือให้พระเจ้าท่านมีปีติเบิกบานอิ่ม อ, อิ่มใจโอ้สาวกของท่านยังไม่ท้อทิงการปฏิบัติอดทนนะอดทนแนละ้ว จะเห็นความอัศจรรย์นะท่านี้ก็พอแล้วนะสี่สิบห้านาทีเราไปนี่รู้สึกที่ร่างกายนะเห็นไหมร่างกายพันนมมือเมื่อกี้ใจลอยที่เกือบทั้งหมดใจลอยแสดงว่าเทศยาวไปสองนาทีและว <c oughs> ฟังนิทานเลยคิดฟุ้งไป <c oughs> รู้สึกตัวสบา ย, บายเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ลม เห็นร่างกายหายใจไปเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายพนมมือนะศึกไปสบายสบายเห็นไหมร่างกายเมันหายใจนะศึกคนไหนมีปิติอย่าให้ปีติครอบใจมีปิติให้รู้ทันปิติปิติส่วนปิติจิตส่วนจิตไม่ให้ปนกันนะถูกปิติครอบใจก็ใช้ไม่ได้ถูกกูสนครอบงาใจก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนกันนะ อย่างว่าแต่ถูกกุศลครอบเนะี่ยถูกกุศลครอบยังใช้ไม่ได้เลยเนะี่ยใจยต้องเป็นอิสระค่อยๆฝึกไปอย่าศรัทธาเกิดเนี่ยอยาให้ศรัทธาครอบใจนมีสมาธิขึ้นมานีากให้มันครอบใจแล้วรู้สึกตัวมีปีติก็อยาให้มันครอบงาใจมีความสุขก็อยาให้มันครอบงาใจนะรู้ตื่น เ, นเนบิกบานดูมันดูคนอื่นต้องฝึกนะค่อยๆฝึก แวันหนึ่งก็จะเข้าใจที่หลวงพ่อบอกนะตุกวันนี้ก็เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วล่ะพอสมควรแนละ้วมาสการช้ค่ะอยากจะเรียนถามหลวงพ่ออยู่สองประเด็นนะคะคือพยาบาล ร, รักษาสิห้าปฏิบัติตามรูปแบบทุกวันทีนี้ก็ใช้ชีวิตประจำวันก็ ตอนนี้เจออุปสรรคในระหว่างอยู่ที่ทำงานว่าเรารู้สึกตัวในขณะที่ตากับหูเราจะไปได้เห็นและได้ยินในสิ่งที่มันมันไม่ไม่มีเหตุนำนะคะอย่างเช่นกำลังทำงานอยู่งานงานที่ทำเป็นงานทางด้านวิชาการสมาธิค่อนข้างดีหรือว่าทำหน้าอยู่หน้าจอนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะ และทีนี้เพื่อนก็เรียกแล้วก็หันไปพูดกับเขาแต่สิ่งที่เราเห็นที่ตาเรานะมันเป็นอารมณ์ของเขาที่ออกมาในรูปร่างของเขาประเด็นข้อที่หนึ่งนะคะแล้วก็รับโทรศัพท์ในเรื่องงานคุยกันเรื่องงานเสร็จมันก็จะมีเสียงที่เหมือนคนตําหนิตําหนิเรานะคะตามเสียงนั้นซึ่งมันเป็น คลื่นเสียงความถี่ระดับต่างกันเป็นอย่างนี้บ่อยมากเราอย่าสนใจนะเป็นนิมิตเป็นนิมิตเหรอคะเราอย่าสนใจนะถ้าเรายิ่งสนใจจะยิกรู้เร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วถึงจุดหนึ่งแยกไม่ออกว่าไหนจริงอ่ะไหนปลอมนะเดี๋ยวจะสับสนงั้นกลับมารู้ทันใจของเราเช่นได้ยินเสียงตํานี้มาใจเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเนียรู้เข้ามาค่ะกลับเข้ามาที่ใจนิมิตทั้งหลายถ้าเราทวนกลับมาที่ใจนิมิตจะหายหมดเลย รู้จิตคนอื่น ง, ง่ายรู้จิตตัวเองยากแล้วคนไหนถ้าไปรู้จิตคนอื่นแล้วนะจะไม่ค่อยยอมรู้จิตตัวเองอะคือปกติถ้าถ้าอยู่ตัวคนเดียวนี่ก็ตามรู้สึกตัวเองเผลอมั่งก็เป็นธรรมดาค่ะหลุดมั่งก็เป็นธาก็เพ่งมั่งก็รู้กลับมานะคะแต่พอไปทํางานแล้วมันจะทางตากับหูนี่มันจะมาสลับกันอย่างเนี้แหละคะ่ะธรรมดาเนี้ยคตามันเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจมันก็เปลี่ยนนะรู้ทันใจ หมายถึงมีสติตามรู้ทันไวขึ้นใช่ไหมคะใจของเรานะไม่ใช่ไปรู้ของเขานะคค่่ะะถ้าไปรู้ของเขา้ใจมันร้อนเอาบางทีนานไปหลอนเอาคนแยกไม่ออกเลยว่าอะไรจริงอะไรปลอมแต่เรารู้ว่าเหมือนเรากําลังนั่งดูเขาอยู่และรู้ว่าเสียงนั้นมาเป็นเสียงเขาอะไรเรารู้บางทีเขาคิดในใจเราได้ยินอะไรย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะไม่เอาอย่างนั้นมีน้ํามีเนนคนหนึ่งนะอยู่สุรินทร์รู้สิทธิหลวงปู่ชอบรู้จิตคนอื่น แล้วจิตเ น, เนเนี่ยไวมากเลยห้าสิบคนนะเนนรับเนี่ยเนนรู้หมดเลยห้าสิบคนนี้เป็นไงนหะลวงปู่ห้ามเขาไม่ค่อยฟังนะรับหลังหลวงปู่เราก็แอ บ, บไปดูคนอื่นตลอดเกิน <c oughs> วันหนึ่งหลวงปู่สิ้นไปแล้วไม่มีใครคุมแกอยู่วัดสาขาวันหนึ่งแกเห็นลิงเห็นลิงนะความรู้สึกของลิงเข้ามาที่ตัวเองเราแยกไม่ออกนะเราก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นลิงนะโดดขึ้นต้นไม้ปุ๊บปุ๊บไปไปอยู่บนต้นไม้ เขาว่าเป็นลิงเนี่ยก็ขึ้นต้นไม้มองลงมาข้างล่างในท้องนาเห็นกายเอาสิความรู้สึกของกายเข้ามาอยู่พ่ดูกวายอยู่บนต้นไม้อะไรจะเกิดขึ้ น, นตอนนี้เป็นกายแล้วแต่อยู่บนต้นไม้โดดลงมานั่งก็คลานอย่างนี้สุดท้ายเพี้ยนไปเลยเพราะฉ<ม>ั้นอย่าไปสนใจความรู้สึกคนอื่ น, นดูของเราดูของคนอื่นอันตรายก็ ดึงดึงวิธีการก็คือไม่ดึงสึกโดดกันไม่ดึงอย่างครัให้รู้ทันกว่ารู้สึกห้ามดึงนะดึงแล้วแน่นก็รู้รู้สักแต่ว่ารู้แค่นั้นใช่ไหมว่าดินก็เห็นเช่นอีคนเนี้มันดินทาเราเกลียดมันรู้ว่าเกลียดนี่ของโยมอะโทสะเยอะนะไปดูซะดูขเราคือก็ดูจนจนรู้สึกเบื่อตัวเองแล้วค่ะเออมันไม่เบื่อจริงอ่ะมันเพื่อเบื่ออยากอยากดูไปอีกยังไม่เบื่อพอ และอีกประเด็นหนึ่งคือพยายามนึกในสิ่งที่ทําไปแล้วแต่บางทีมันมันนึกไม่ออกค่ะช่างมันไปอะไรไม่เป็นไรออใช่ไหมสัญญาไม่เที่ยงถ้าเราเออความจําไม่ดีเราก็จดเอาไว้ค่ะกราบนวัสการหลวงพ่อครับ เ, ออเดินโยกมกลมแล้วก็ระหว่างวันก็รู้สึกว่ามีกลายเป็นวิหารธรรมนะครับอะไรนะระหว่างวันนะครับทําอะไรนะ อ, อใช้ใช้การเคลื่อนไหวครับเออรู้สึกว่ามีมีความรู้สึกตัวมากขึ้นนะครับไม่สาบายจริงหรือเปล่าใช้ได้รู้สึกตัวเป็นแล้วละขันก็แยกแล้วพ่อครับเรามีปัญหาเรื่องมันมึนตรงท้ายทอยครับอ๋อถูกทุบแล้วสิบริกรรมไปท่นนะึกถึงพระเจ้าไปแล้วบริกรรมไปเมตตาคุณนงางอรหังเมตตา เมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมไปแก้มืนแก่หมื่นท้ายถอยหลวงพ่อครับไม่ไม่ไม่ใช่เพลงใช่ไหมครับรไม่ใช่ <laughs> กราบขอบคุณครับหลวงพ่อธรรมดานะใครจะไปนิพพานนะมานไม่ชอบหรอกมารเนีย่ยแกล้งแต่มันแกล้งได้ในขอบเขตของกรรมนะมันแก้งได้ไม่เกินกรรมอย่างเรามีกรรมเนี่ยต้องรับยิ่งเราภาวนาดีๆเนะี่ยภพชาติของเราสั้นลง เจ้านี่จะต้องรีบถวงยังไม่ต้องตกใจหรอกนั่งๆ่งอยู่รู้สึกเหมือนใครมาตื้อเปล่านะมีเวรมีกรรมนะเจริญเมตตาไปแผ่ส่วนบุญสวยกุศลไปขอบคุพทุกคนะครับหลวงพ่อครับ ค, คนภาวนาไม่ดีแล้วมันไม่ยุ่งด้วยแล้วภาวนาถูกมันเอาเรื่องเลยนรัมสการครับหลวงพ่อ ช่วงนี้จิตเขาแบบแต่งจิตหรือว่าแกล้งทําน้อยลงแล้วค่ะออแล้วก็ประมาณเขาจะเห็นแบบอขันทํางานเป็นใจรับเยอะขึ้นอพออย่าไปคิดมากนะค่ะดูเอาอย่าไปคิดนรำมากไม่มันมันถ้าช่วงไหนมันบางทีมันก็มีปัญญาบางทีก็ลําหน้ามากอย่าให้ลําำนะของคุณระวังเรื่องปัญญาลําหน้าไว้ค่ะแล้วก็มันก็จะเห็นแบบอเริ่มเริ่มเห็นว่าจิตเนี่ยอ่าความเป็นเจ้าของเนี่ยความแตกต่างระหว่างความเป็นเจ้าของกับจิตที่สังขารเขา ปรุงแต่งเองเนี่ยมันเป็นยังไงเราเห็นม้างเลยค่ะนั่นแหละดูไปนะชินเห็นเลยมันทํางานของมันเองค่ะะมันปรุงได้เองนะไม่ใช่เราหรอกค่ะพยทํามบีกยังไม่พอปัญญาลั้มสรุปเร็วไหมค่ะชอบสรุปใจรักมากไปหน่อยค่ะอตอนนี้ที่ที่จะต้องเสริมคือแบบจะต้องเจริญตรงไหนเพิ่มมันมันตรงกับปัจจุบันไปนะค่ะอย่ารับร้อนใจค่ะรูปปัจจุบันไป กี่ปีเราก็จะรู้กายรู้ใจของเราอย่างนี้แหละกี่ปีก็จะดูไปอย่างนี้ไม่รีบการนมาสการหลวงพ่อค่ะลูกก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยไปไหนมาไหนอะค่ะจะไปไหนอะมันก็มีเท่านี้แหละเห็นไหมมีกายมีใจ <laughs> <laughs> รู้สึกไหมกายกับใจมันทำงานได้ <laughs> เห็นแล้วนะขันมันแยกแล้วเพิ่งเมื่อสัก3าสีวันเนี้ยขณะที่ทานข้าวก็ รู้สึกกับคําที่หลวงพ่อสอนว่าให้รู้สึกสบายเพิ่งรู้สึกครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่รู้สึกแบบนั้นนนั่นแหละอย่างเนี้ถึงจะรู้สึกตัวที่แท้จริงนะถ้าจงใจรู้สึกเนี่ยไม่ใช่ของจริงรู้สึกแม่ใจมันรู้ว่ามันตื่นมันเบิกบานนะมันเบาไม่มีน้ําหนักใช้ได้เชียวละต้องไปทําอะไรเพิ่มอีกไหมหลงพ่อทําความเพียรทําสม่ําเสมอไม่ต้องทําอะไรแปลกๆหรอกทุกวันน่าทาในรูปแบบ ตอนนี้บางคนทำในรูปแบบได้ปถึงหลายชั่วโมงแล้วนะถูกหลวงพ่อหลอกเริ่มจาก15นาทีนี่แหละแอบนมัสการหลวงพ่อค่ะเดี๋ยวนี้เวลาโยมปฏิบัติจะเข้าห้องน้ำก็เห็นตัวเองมีแต่ของโสกโปกในร่างกายอ่ะเป็นเรื่องของสมาธิเป็นอะไรคะเดี๋ยวก็เหมือนมีเลษมีอะไรเหมือนอย่างเนี้ย เหลือตัวเองไปเลยแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะหลวงเราเรียกว่าเราดูปฏิกูลาสุภะจะได้สมาธิได้ความสงบยังไม่เป็นปัญญานะอ๋อยังไม่มีปัญญาค่ะันนี้เป็นปฏิบัติยังไงต่อดูไปสิว่าที่ว่าโสกปลวกแบบไม่ใช่เราหรอกกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกดูความไม่ใช่เราไม่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เรานะลำพังเห็นโสกปลวกเว็นปฏิกูลาสุภาอะไรมันแค่สยิอียเยนไปงั้น บางทีเจอเดินไดินลนนไปเรายิ้มไหมเขาเขาไม่ยิ้มยมก็ว่าเอ๊ะเขาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนเขาเขาเป็นธาตุสีดินน้ำลงไฟยมก็รู้สึกมีปิติแบบนี้ปฏิบัติถูกไหมคะก็ได้สมาธิคิดอย่างนี้เราคิดนำคิดไปแล้วเขาเป็นก้อนธาตุเราก็ไม่โกรธใจเราสบายสบายด้วยการคิดเอาเนี่ยเป็นเรื่องของสมาธิ แต่ก่อนนี่ถ้าเจอเขายิ้มให้เขาเขาไม่ยิ้มเราจะรู้สึกโกรธเดี๋ยวนี้พอยิ้มให้เขาเขาไม่ยิ้มก็บอกเขาก็แค่ธาสีดินน้ําลงไปวันหนึ่งก็คืนธรรมชาติเยิแงเขาเกิดปิติเออดีเกิดปิติก็ดีแต่หลังปิติก็ยังมีความโกรธอยู่ดีแหละก็ก็ไม่โกรธนะคะเดี๋ยวไปดูให้ดีไปไม่ได้ชอบหน้ามันหรอกก็รู้สึกยิ่งปฏิบัติยิ่งเจอตัวทดสอบเยอะเลยหลวงพ่อดีสิ ก็ก็ท่องเสมอว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดเอนะถ้าเจอตัวทดสอบก็ท่องไปดูไปเรื่อยนะสักวันหนึ่งจะเห็นว่าตัวกูเก่งออย่างอย่างนี้ถูกต้องไหมคะเอค่อยๆหัดดูไปเดี๋ยววันหนึ่งจะรู้สึกกูนี่เก่งมากเลยมีมีพระองค์นึงนะเขาเป็นพวกชอบรู้จิตคนอื่นเขาอเขาสังเกตหลวงพ่อนะเวลาหลวงพ่อฟังพวกเราส่งกันบ้านอ่ะนะ ผลวงพาา่อจะขำลงมีความรู้สึกเอ็นดูเกิดขึ้นอ่ามากำนัลสการเพลงหรือเปล่าเพลงครับคืออผมส่งกันบ้างครั้งก่อนนะครับผมจะเห็นว่าจิตมันสั่งกายอะครับแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งอะครับผมเดินจุงกลมอยู่อะแล้วผมเห็นว่าอา จิตมันมันขาดออกจากกันโดยที่มันมันไม่ใช่ตัวเดียวกันเลยใช่ตัวจิตเองใช่ไหมใช่ครับดับดับดับใช่ไหคือมันมันเกิดตอนนั้นแล้วมันก็ดับตอนนั้นเลยถูกแล้วนั้นเรียกว่าสันตติขาดแล้วสันตติขาดเนี่ยขึ้นไม่ปัสนาตัวจิตแล้วเห็นไหมว่าไม่มีตัวตนตาบอดมีแต่เกิดแล้วก็ดับถ้าเราพาวนาจนเห็นนะจิตเองก็เกิดดับนะใช้ได้นะ บางคนภานาไม่เป็นน้องเคยคิดว่าจิตเที่ยงจิตนี่ันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานคงที่นิรันดรเพราะนี้ยังภาวนาไม่เป็นถ้าภาวนาเป็นจะเห็นเกิดแล้วดับเกิดทันทีก็ดับเลยดับเลยนั่นแหละอย่างนั้นแ่ะเห็นไหมเกิดเองดับเองสั่งไม่ได้นั่นมันก็เกิดมันไม่เหมือนกันนะฮะมันตัวที่ดับไปตะกี้กับตัวที่มันเกิดใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนมันไม่มีส่วไหนเชื่อมกันเลยฮะไม่มี มันขาดจากกันจึงเรียกว่าสัน ต, ติขาดสัน ต, ติคือความสืมเนื่องนะจริงๆมันไม่ได้ต่อกันเลยมันเกิดแล้วก็ขาดลงไปตัวใหม่เกิดแล้วขาดลงไปอย่างเงี้ยถูกแล้วอัศจรรย์ไหมอัศจรรย์อัศจรรย์นะเออนะใครยังนึกถึงว่าจิตเกิดดับเกิดดับอัศจรรย์จริงๆแต่มันพอมันเห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเวลาถ้านั่งนั่งอยู่เนี่ยฮะเห็นทีแรกแล้วกทีสลดสังเวช S <S <S ใช่ครับมันนั่งมันร้องไห้เลยครับนั่นแหละมันสลดมันสังเวชใจสลดสังเวชอะไรตายแล้วตัวเราไม่มีหรอกมันสลด ต, ตรงนี้มันเสียดายจะ<ช>เสียดายตัวเสียดายตนนะเพราะฉะนั้นเวลาเมื่อเห็นตามความเป็นจริงนะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงแรกที่เห็นความจริงครั้งแรกแรกบางคนสลดไปเลยนะบางคนเบื่อบางคนเซงไปเลยบางคนนี่มเมาแล้วกลัว บานคนเห็นแล้กลัวนะตัวเราหายไปกลัวไม่กล้าภาวนาอีกเลยตรงนี้เป็นจุดที่เป็นทางผ่านนะต้องเจอทำวิปัสสนาะตรงที่เราเห็นสภาวะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปนะเรื่องอุทยพ ย, ายาัญาณตรงที่เห็นมันน่ากลัวนะเป็นพยัตูปัตตานญยญเห็นมันหาสาระอะไรไม่ได้เลยนะอาทีนวาานิญาณแล้วก็บางคนนั้นเบือ่อเป็นนิพพิทายานเป็นะนความรู้สึก ให้เรารู้ไปอีกความรู้สึกนี้ก็แยกออกไ ป, ไปกในส่วนก็เข้าเบ็กขานี่อย่างนี้ถือว่เรียกว่าพานาะเห็นจิตมันเกิดดับต้องถ้ามันตอนนี้มันหายไปแล้วอย่าอยากสิอยากเห็นอีกไม่เห็นหรอกช้าน่าจะไม่เห็นเลยถ้าถ้าเห็นอีกคือตอนครั้งที่ผมเห็นนี่คือมันมันเหมือนเรามันไม่ได้จงใจ ถ้าจงใจไม่เห็นหรอกมันต้องเล่นทีเผลอนะเราพอนั้งเราไปเรืนะ่อยฮะถึงจุดที่มันอิ่มมันเต็มมันพอนะมันก็ปิ้งขึ้นมาถ้าบารามีมันพอนะตรงที่ปิ้งนะัมรรผลเกิดต่อเลยนะถ้ายัางไม่พอก็เนี้ยถอยออกมาหน่อยนะใจสลดไปเลยนะเอยังไม่พอต้องต้องปฏิบัติอีกใช่ไหมฮะก็จะปฏบัติอีกแต่ยังหวังว่าจะเห็น <laughs> หวังว่าจะเห็นชาตินี้จะไม่เห็นอีกแล้ว ต้งภาวนาจนกระทั่งโอ้สิ้นหวังถ้ายัางรู้สึกว่าอีกนิดนึงก็ถึงแล้วอีกนิดนึงก็ถึงแล้วไม่ถึงน่ะะอยังไม่ได้กินหรอกสู้เอานะสู้ตายถึงสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายต้องสู้ตายไม่สู้ก็ตายอย่างทุเรศทุเรศเนาะตายอย่างชาวโลกก็ตายกันถ้าเรานับปฏิบัติตายอย่างลูกพระพุทธเจ้าตายอยู่กับศีลอยู่กับธรรมของเราอะ ตายไม่เสียชื่อพ่อแม่เราผู้ไปทําอีกอย่านึกนะว่าจะเจอกลับน้มาส ก, การหลวงพ่อครับที่เมื่อกี้หลวงพ่อให้นั่งให้นั่งดัวครับผมรู้สึกว่าผมเห็นอนัตตาชัดเหมือนกันนะครับได้เสียคือขันมันใจมันตั้งมั่นแล้วแหละครับนตั้งมั่นแล้วเราไม่ได้เพ่งครับเราไม่เพ่งปัญญามจะเกิดถ้าตั้งแล้วเพ่งอยู่ปัญญามไม่เกิด ผมควรจะเน้นดูตรงนี้ไหมครับหรือว่าไม่ควรอ๋อครับจงใจทำก็ไม่ได้เหรอลโลภไปแล้วครับใช่ครับเออความโลภมันครอบแล้วคเพราะส่งกันบ้านครั้งก่อนนะครับมันหลวงพ่อบอกว่าผมยังเจริญและเสื่อมไม่พ อ, อมผมผมจะรู้สึกว่าเวลามันเจริญเนี่ยมันเหมือนชนเพดานนะครับแล้วมันก็จะลงมามแล้วมันก็จะไต่ขึ้นไปใหม่แล้วมันก็จะไปชนเพดานเนี่ย ม, มันทะลุได้นะ ถ้ารู้ได้ต้องหลายชั้นเน่ยไม่ได้เป็นตาชั้นเดียวหรอกรรเราอยู่ในตึกต้องสี่ชั้นอขออกกันบ้านมีไหมครับไม่ทําอีกไปไรู้มานาตามานาตาแรงเอกสารแบบรูปศิษย์เก่านั้นเนี่ยนี่เรียกถลกหนังเริ่มเริ่ ม, เ ร, ม, เ, รมเริ่มเห็นมันบ้างละชอบเปรียบเทียบชอบนั่นแหละมันเป็นมานาตารู้ทันมันนะ มันจะเหนือกว่าเขาเรื่อยอครับขอบคุณครับสู้นะสู้ตาออย่าให้เสียชาติเกิดในในก็เกิดมาเจอพุทธเจ้าเจอศาสนาแล้วกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะเออช่วงนี้หนูจะแบบเวลาใครมาทำอะไรกระทบมณอัตาแล้วมันจะปรุงพยาบาทแล้วก็มีโทสะแรงมากนะรดี ท, ที่รู้นะดีะดีใช้ได้ ไม่ต้องแก้นะไม่ต้องแก้ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าไม่ไปตบไปตีไปต่อยให้เขาเท่านั้นไม่ไปด่าเขาค่ะ <c oughs> เลยอย่าให้ผิดศีลเท่านั้นนะแหละในทางใจอ่ะไม่แก้มันนะค่ะ <c oughs> ตามรู้ตามดูไปจนเห็นทุกข์นะพยาบาทเกิดขึ้นแนละ้วทุกข์เกิด น, นะ <c oughs> เนี่ยเฝ้าดูไปเรื่อยพยาบาทเขาเนี่ยเขายังไม่เป็นไรเลยเราทุกข์ก่อนแนละ้วดูอย่างนี้เรื่อยๆไปค่ <c oughs> เดี๋ยวปัญญามันมากขึ้นมากขึ้นมันขี้เกียจพยาบาท ภาวนาได้ดีใช้ได้ถูกใจหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมครับนี่ไงเพิ่มเติมให้นะภาวนาถูกใจไม่ทํำอีก <c oughs> ขอบพระคุณมากนะหลวงพอ่อเ <c oughs> ห็นไหมว่าใจเราเป็นธรรมดาดูออกไหมใจเราพาวนาจนมาถึงจุดที่ใจมันดูธรรมดาไปแล้วสเห็น <c oughs> ไหมใจมันก็ทําหน้าที่คิด น, นึกปรุงแต่งทาหน้าที่รู้มันธรรมดาของมันอย่างนี้ <c oughs> นั่นแหละภาวนาอย่างนี้แหละไม่ต้องเกินธรรมดาเลย ภาวนาจนใจเข้าไปสู่ความเป็นธรรมดาดีในมาตการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือว่างไงออยอมเพิ่งมาครั้งแรกครั้งนี้ค่ะได้ฟังสีดีมาแล้วหรือได้ฟังฟังฟังมานานยังฟังมานานแล้วค่ะฟังในพิทยุเออบางคนฟังเดือนเดียวน ะ, ะขันแยกหมดแล้วแลวเขาเคยเจอมาสวนบ้านฟังหนึ่งเดือนขันแยก ของโยมเห็นไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมแล้วดีทาถูกแล้วต่อไปนี้เราก็รู้ทันนะกิเลสอะไรเกิดรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันค่อยเรียนรู้กิเลสไปเรื่อยไม่ห้ามหรอกแต่ว่ากิเลสทีเ่เกิดเรารู้เอาขี้น้อยใจปะเป็นบ้างนิดหน่อยเป็นปนบ้างิด่อยอยะให้รู้ทันนะเวลามันน้อยใจมา <c oughs> วันนี้ ก็ไม่มีอะไรที่ว่าก็ขอความที่แน่กับหลวงพ่อกนนะะ็ได้กันใช่แล้วไงนะภาวนาไปทําได้ดีแล้วค่อยเรียนค่อยรู้ไปเห็นใจมันแจ้งขึ้นมานะถึงวันหนึ่งมันแจ้งขึ้น่ะก่อนจะแจ้งขึ้นมาใจเป็นธรรมดาแจ้งเข้าสู่ความเป็นธรรมดาไม่ดิน้นรู้สึกไหมใจมันไม่ดิน้นภาวนาจนมันมันดิ้นจนสุดฤทธิสุดเดชแล้วมันก็หยุดดิน้นแต่พอหลวงพ่อบอ ก, บอกเนี้ยมันจะเริ่มดิ้นใหม่ เออนะแล้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเนะอะใ น, นจะเด่นไปอีกช่วงนะจนกรทั่เข้ามาธรรมดามาธรรมดาถ้ากำลังพอนะรบหลุดออกไปเลยเออมันทางลีลาของการปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้แหล ะ, จะเจริญแล้วก็เสื่อมจเจริญแล้วก็เสื่อมนะืม <_ d ata> ่ต้องตกใจเราภาณนานจนธรรมดาเอ้าค่เานนี้กลุ้มใจจะแย่ แ, ยแล้วรอนาน <_ d ata> การนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อคือโยมปฏิบัติมาแบบจิตฟุ้งเก่งมากฟังดีซีดีของหลวงพ่อว่าเออถ้าจิตฟุ้งให้ดูความฟุง้งมันก็ยังไม่หายฟุ้งเจ้าค่ะไม่ได้ดูให้หาย <c oughs> ดูให้เห็นว่ากูบังคับมึงไม่ได้เอลยอย่างนี้นะเออ okay. บางครั้งนะคะโยมพยายามตั้งสติไว้จะตั้งจิตให้มัน่น <c oughs> มันพอเผือแป๊บนึงมัน มันไปสวดมนต์เฉยเลยเจ้าค่ะลุงก็อย่างดีนะไม่ไปด่าใครเขาเออไปไปสวดมนต์ไม่ไปไรหรอกให้มันสวดไปมันอยากสวดไหมให้มันสวดไปอสวดมนต์ไปแล้วจิตมีความสุขให้รู้จิตมีความทุกข์ให้รู้จิตสงบให้รู้จิตฟุ้งซ่านให้รู้ให้มันสวดไปไม่ต้องไปฝืนมันลุงพ่อมีอะไรที้แนะค่ะให้มันสวดไปนะมันไม่สวดเราก็สวดเองก็ได้แล้วก็รู้ทันจิตไปใช้การสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่ ถ้าจิตชอบส่วนมนนะส่วนไปเลยไม่ต้องฝืนถ้าจิตชอบด่าเขาอยางเงี้ยไม่เอาแต่ถ้าจิตส่วนมนเอานะขอบพระคุนด้วยค่ะครับหลวงพ่อค่ะอืมยมก็ยมยมถือมาอย่างนี้เลยแบบร้องคาราโอเกะทำตามรูปแบบเจ้าค่ะแล้วก็เห็นจิตใจตัวเองเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะหลวงพ่อถูกต้อง ยมทําทุกวันนี่ขอคําแนะนําจากหลวงพ่อโซ่เองทําถูกแล้วล่ะทําถูกแล้วก็ทําไปเรื่อยๆทำตลอดชีวิตอ่ะรู้สึกไหมว่าชีวิตเราเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนๆชีวิตมีความสุขมีความสงบขึ้นมานะสมาธิก <c oughs> ็ง่ายเห็นไหมใจสงบง่ายศีลที่รักษาง่ายอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ปล่อยง่ายค่ะค่ะดีอื่อ อเอ อ, าเอสาธุ<ส>าด้วยขับธรรมการ์ค่ะหลวงพ่อปฏิบัติตามแล้วหลวงพ่อมาค่ะแป๊บหนึ่งขอเวลานอกโยมที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จอย่าไปบังคับมันนะถ้บาบังคําเดี๋ยวมันอึดอัดทำถูกแล้วทําดีแล้วอยู่อย่างนี้แหละอย่าไปะเดี๋ยวเดี๋ยวมันแน่นเออเดี๋ยวมันแน่นไปอน ะ, อะ ปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อมาค่ะอืมก็เห็นการเกิดดับของอารมณ์และความคิดนะคะเสร็จแล้วทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งเห็นความคิดเต้นค่ะพอดับปุ๊บแตเห็นความว่างระหว่างความคิด เ, ออเห็นเป็นช่องว่างออชัดเจนค่ะดีเสร็จแล้วปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆก็เห็นชัดว่าขันทั้งห้านะั้นไม่มีอยู่ในเรา ม, มันอยู่รอบนอกเราเออพอปฏิบัติไปเรื่อยๆอีกไม่กระทั่งหัวเราะดูหนังมันก็เห็นชัดว่าไอ้ตัวเนี้ยหัวเราะเออค่ะ มันก็เลยไม่สนุกเหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อไม่สนุกหรอกแม้กระทั่งเดินไปอะไรขาที่ไปเตะปุ๊บมันก็จะแยกาาออกมาว่าความเจ็บอยู่ส่วน<ช>กายอยู่ส่วนจิตอยู่ส่วนออแต่จะ่เตะ บ, บ่อยก็ <ขา S 2> แล้วกันค่ะแต่มันก็เจ็บอะ่ะค่ะเจ็บถ้าเรารู้มันจะไม่ค่อยเจ็บค่ะหลวงพอ่ อ, อแล้วเสร็จแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเห็นปกติยมโยมจะเห็นเอความคิดอารมณ์เกิดดับใช่ไหมคะแต่มีอยู่ครั้งโยมเห็นยโยมเห็น ติดนะคะเกิดดับเพราะเปลี่ยนแปลงไปในขณะวันนึงเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเลยทั้งวันเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเป็นอยู่สามวันตอนนั้นโยมเกือบจะบ้าค่ะโยโดถ้าบ้าแสดงว่าสมาธิไม่พอละใจฟุ้งซ่านเสร็จแล้วโยมก็เลยพอดีตอนนั้นโยมเคยสูญเสียสิ่งที่เป็นที่รักอย่ากเลยนะคะแล้วโยมยึดตัวเอ ง, งไว้เห็นตัวเองอยากมีเนี่ยอยากมีอยากมีไม่อยากมี เห็นสามวันมยมก็เลยคิดว่ายมต้องไปถามผู้รู้อะค่ะที่เรา<ม>นับถือยมก็เลยไปถามคนที่รู้อื<ม>เขายมโยมไปถามเพราะว่าสิ่งที่โยมเห็นเนี่ยอยากมีไม่อยากมีถ้าโยมตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งเนี่ยแล้วยมจะถือว่าเป็นการสร้างอัตตากับตัวเองไห ม, มคนท่านนั้นก็ตอบโยมมาว่าไม่เป็นการสร้างอัตตา<ม>พอขณะที่เขาตอบว่าไม่เป็นการสร้างอัตตาแค่ชั่วขณะชั่วขณะหนึ่งเนี่ยโยมเห็นเหมือนตัวเองนะคะ โยนสิ่งที่แบกเอาไว้ทิ้งไปแต่ด้วยความรวดเร็วมากเพราะว่าขณะที่ท่านตอบโยมก็กลับมาตอบกระท่านว่าโยมรู้แล้วว่าโยมจะทํายังไงต่อแต่ไม่รวดเร็วมากไงคะหลังจากนั้นมาโยมก็รู้สึกว่าตัวเองเบาสบายเบาสบายแล้วก็เหมือนกับใจเนี่ยไม่มีเป็นใจที่กุงกวงไปเป็นอยู่ประมาณเจ็ดวันค่ะยังไม่พอ <laughs> ดูสิ ขันห้าไม่ใช่ตัวเรารู้อึกไหมมันอยู่นอกจากเราไปรู้สึกไหมแต่มันยังมีเราอยู่แมันจะเห็นนะขันห้าไม่ใช่เรามันอยู่นอกจากเราแต่ความรู้สึกเราเนี้ยมันยังมีอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าขันห้ามันอยู่นอกจากเราไปเรามันยังอยู่ค่อยๆดูค่อยๆเรียนไปแล้วถ้าเราเห็นความคิดอารมณ์ความคิดแล้คะเพราะว่าโยมจะใช้กรรมฐาน ท่องทำประธานกะทำกรรมฐานหนึ่งขณะที่ท่องเนี่ยท่องไปเนี่ยปากเนี่ท่องท่องท่องแต่ว่าไม่มีผิดเพี้ยนแต่เราจะเห็นความคิดตัวเองในขณะที่ท่องใช่ได้แล้วก็พอเราเห็นความคิดปุ๊บติดกลับมาปุ๊บมันจะกลับมาที่ท่องโดยที่ไม่มีผิดเพี้ยนเลยค่ะแล้วก็ขณะแปลงฟันจุดสําคัญเนี่ยไม่ใช่ท่องโดยไม่ผิดนะใช่ค่ะโยมเข้าใจแต่โยมไปเห็นความคิดเออขณะที่แปลงฟันโยมก็เห็นตัวเนี้ยคิดเห็นตัวเนี้ยคิดพอวเรามีสติปุ๊บความคิดดับลงออื มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะคือเดี๋ยวไปยึดไอ้ตัวนี้มากนะไม่งั้นมันไม่ตัดมันจะไม่ตัดหรอกนะมันจะเป็นเราอยู่นั้นแหละลึกๆนะค่ะเพราะงั้นไม่ต้องไปรักษามันหรอกแค่เราเห็นว่าเนี่ยเราทํากรรมฐานอะไรนี่จิตหนีไปเราเรียนรู้อะไรได้ ร, รู้จิตนะไม่ใช่เรียนรู้กรรมฐานนี้หรอก ตัวฐ<ช>านนี้ไม่มีนายาัยยะอะไรจะใช้ดูความคิดแล้วก็อารมณ์เป็นหลักค่ะถ้าความโกวธเกิดขึ้นยมก็จะรู้ว่าตัวเองโกรธถ้าความคิดเกิดขึ้นยมก็จะรู้ว่าความคิดเกิดขึ้นแล้ว เ, ออเมื่อ ท, ทันทีที่รู้ปุ๊บความคิดก็จะดับลงดูสิอย่างความโกรธเกิดขึ้นนะเห็นนะความโกรธกับจิตก็โคราลน์นะ ใ, <ช>ให้ดูอนนี้มันจะแยกกันหัแยกแต่แยกแล้วเราก็ไม่รักษาตัวนี้ไว้ไม่ค่ะอย่ารักษาตัวรู้ไว้เพราะมันจะแยกเป็นกายจิตอารมณ์เป็นกองตสังเกไหมเป็นเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึง มันเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งอะตัวนี้ตัวที่เป็นคนดูเนี่ยมันนิ่ ง, น, งนิ่งอยู่ใเราสงวนให้ตัวนี้ไว้ตัวอื่นเกิดดาหมดนะตัวนี้เราสงวนรักษามัน ค, คงที่อยู่กนะันนะไปเขียนไหมมันรู้ตัวแล้วมัน ยังไม่ทันขึ้นมามันเห็นตั้งแต่ยังไม่ขึ้นนะคร<อ>ับก <พอ S 1> ็เราเห็นเนี่ยนะั้นะเห็นแล้วก็ดับแต่ว่าตัวรู้เนี่ยตัวรู้เนี่ยอย่ารักษามันให้คงที่ไว้นะไม่ได้รักษาค่ะตัวรู้นะต้องให้มันเกิดดับอย่างเนี้ยตัวรู้หายแกเป็นตัวคิดอย่างนี้ใช้ได้นะแต่ถ้ามันรู้ตลอดเวลาเลย24ชั่วโมงนะจะทำอะไรมันรู้หมดเลยนะขันแยกหมดเลยแต่ตัวนี้คงที่อยู่อันนี้มรรคผลไม่เกิดเลยมันเหลือตัวเที่ยงอยู่ตัวหนึ่ง อย่าไปรักษามันนะไม่แต่โยมปล่อยสบายๆนะคะหลวงพ่อมันแต่มันจะรู้ชัดเองตลอดนะคะมันเป็นอย่างนั้นนะคะรู้ชัดไปมันชัดเจนเองค่ะหลังจากที่โยมเล่าให้ฟังค่ะไม่เผลอบ้างมีหัดเผลอซะบ้างตรงที่มันรู้ตัวตลอดเวลาเนี่ยนะตัวนี้แหละตัวรู้ปลอม ถ้าตัวรู้จริงนะรู้บ้างเผลอบ้างนะปล่อยให้มันเป็นตัวเอออย่างนี้เถิงจิตจิตอย่างนี้ถึงจะใช้ได้นะมันรู้เองค่ะหลวงพ่อเห็นไหมจิตตรงเนี้ยดิ้นขลุกขกลักขลักแล้วรู้สึกไหมอย่างนี้ดีถ้าอย่างนี้ไม่ดีเนี mm ้ย hmm. ไม่ดี มันตื่นเต้นอยู่ข้างในเอ อ, <ข>อนะ<ข> อ, อย่าไปกดรู้อยู่คะ่ะปล่อยรู้อยู่ค่ะเออถ้ารู้อยู่ไม่เป็นปนัญหาปล่อยให้มัน่ายตื่นเต้นอืมปล่อยไปเอออย่างนี้ถือได้น ะ, าะสามธรรมชาตค่อยดูไปดูขันมันทำงานไปนะถ้าตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงดูงั้นตัวรู้เองก็เกิดดับอย่ารักษาตัวรู้ แล้วถ้าสมมติเราเห็นการเกิดดับของความคิดอยู่ดีๆอยู่บ่อยๆเนี่ยค่ะแต่อยู่ๆมาวันหนึงมันไม่เห็นการเกิดดับของความคิดที่แสดงว่าสติไม่ดีใช่ไหมความคิดเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันะนะความคิดไม่มีไตรลักษณ์ความคิดไม่คิดสามวันสามคืนหรือได้ให้รู้ความรู้สึกอย่าไปรู้ความคิดมันคิดเรื่องนี้เป็นสุขให้รู้ก็เห็นวา่าสุขอยู่ชั่วคราวแล้วหายคิดเรื่องนี้เป็นทุกข์ก็รู้ก็เห็นว่าทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วหาย ให้รู้ความรู้สึกนะอย่าไปดูความคิดความคิดไม่มีใจรักษณ์ถ้าเอาความคิดมาทํากรรมฐานแล้วก็ไม่มีวันจบสิ้นเลยไปเรื่อยแล้วปุใช้อารมณ์ได้ใช่ไหมคะใช้ความรู้สึกอดูที่ความรู้สึกรู้สึกโกรธรู้สึกรอบรู้สึกหลงรู้สึกฟุ้งซ่านรู้สึกหดหู่รู้สึกดีใจเสียใจรู้สึกสุขรู้สึกทุกเนื้อรู้ความรู้สึกอย่าไปรู้ความคิดรู้ผิดตัวนะ ไม่รู้ความคิดนี่จิตก็จะ็ดล็อกนิ่งอยู่ถ้ารู้ความคิดจะติดสมถะรู้ความรู้สึกได้ค่ะหลวงพ่อแต่จะเน้นเป็นเรื่องอารมณ์ค่ะเช่นความโกรธความโมโหไม่พอใจงุดอิจใจลำคาญใจเเต่นั้นได้นะสิไปรู้ความคิดถ้าไปดูตัวคิดแล้วก็จิตก็ก็นิ่งเลยตอนี้อ่ะหมดละสิบสองคนกราบขอพระคุณหลวงพ่อนะครับที่เมตตาพวกเรานะครับผม บต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญนายแพทย์วิวัติเชียวสิน์นะครับจะเป็นตัวแทนของพวกเราถวายเครื่องทายทานครับโดยพิธีกรจะเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายนะคะขอทุกท่านน้อมใจตามนะคะค่ะทุกทุกท่านพนมมือนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ลหลวงพ่อปราโมดปราโมโช ขอหลวงพ่อโปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินนะสะพอนหยนะยถ า, าวาริวหาปุราปริภูเรนตีสาคารังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกรปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุสเพปพูเรนตุสังกปา ฉันโถปันระโสยถามมีโชติระโสยถาสพีติโยวิวัตชันตุสพโรคโควินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาธนาสีเลสนิจังวุธาปจายโนจ ต, ตาโรโธรมาวัทันตีอายุวันโนสุขังพระลัง mm hmm. ยมภาวนาดีดียนะ ก็น่ากันใช้ได้หรอดีวดโวธนานะโวธนากับท่านอาจารย์ด้วยเกลื่อนปันจจัยทายาทานถวายท่านอาจารย์นะ